อาเจละกะวัคหนึ่งอาเจละกะสิกขาบท 94. ถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ให้ของเคี้ยวหรือของฉันแก่อาเจละกะปริภาชกหรือปริภาชิกาด้วยมือตนณนะที่ไหน ตอบทรงบัญญัตินกรุงเวสาลีถามทรงปราลบใครตอบทรงปรารบท่านพระอานนุ์ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอานนุ์แจกขนมให้ปริพาชิกาคนหนึ่งสองชิ้นด้วยสําคัญว่าเป็นชิ้นเดียวในอเจและกาศิขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัต 6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอละกะโลมะสมุดฐาน